เช่นคุณตรงมีความรู้สึกบางอย่างอยูอย่ครับไม่ทราบอะไรไม่ทราบนะครับแต่ก็อยากจะคิดถ้าตัวองพบทางนะครับอยากจะขอบคุณพระอาจารย์ครับด้วยกันบูชาด้วยกันภาวนานะรู้สึกดี<อ>นะรู้สึกดีรู้สึกใจครับหนูพ่อมก่อนหาครูบาอาจารย์นะเรายากจนนะโวเห็นคนอื่นเขามีอะไรถวายเยอะแยะแล้วไม่มีอะ่ะมีได้นิดๆหน่อยๆ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 อย่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อวานแะรู<ช>้ ส, สึกไหมแยก่ก่ได้อย่างเมื่อวานว <c oughs> อย่าพยายามเยอะ <c oughs> นับหนึ่งลูกเดียวกรรมฐ า, านนะมีแต่นับหนึ่งนะคือรู้กายรู้ใจลงปัจจุบนนะันไม่ต้องมีสองมีสามอะไร <c oughs> ทุกวันก็คอยดูใจของเราไป <c oughs> มันจะนับหนึ่งของมันเท่านั้นมันจะเป็นอย่าเป็นนับสองทุกวันทําเหมือนเดิมนั่นแหละหลวงปู่มั่นก็สอนนะบอมันเป็นคนทํานา ปีนี้ก็ทําอย่างเนี้ยปีหน้าก็ทําอย่างเนี้ทําอยู่อย่างนั้นแหละซ้าแล้วซ้ําอีกอะ่ะหเหมือนคนทอผ้านะทอผ้าสมัยโบราณใช้หูกใช้อะไรกันทอมันก็ซ้ําอยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกรู้อยู่เฉพาะหน้าว่าดูโมหะนี่มันมันเบามากเลยเบาอบบมันไม่ท่านไปสังเกตมันแทบจะไม่เห็นความโมหะโมหามีหลายแบบโมหะแบบหนึ่งฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะชนิดหนึห่งอย่างตอนนี้เออครับ ใจหดู่ซึมลงไปซึมซมก็เป็นโมหะอีกอย่างหนึ่งใจมัวมัวดูอะไรไม่รู้เรื่องก็เป็นโมหะใจลังเลสงสัยก็เป็นโมหะมี่ตะกูดโมหะมันเห็นไม่ชัดแต่เออเหมือนแต่รู้สึกไ้มตอนเนี้ยดีกว่าเมื่อกี้มันนิดนึงเหรอให้รู้ลงอย่างเงี้ยดูความเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันนะมันจะดี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 เนี่ยกิเลสมันหลอกเราอย่างนี <st colabor ative whats elin> ้หลอกให้เราทำเข้าใจไหมหลอกให้เราปรุงให้เราแต่งใจหลงลงมือทําลงมือปรุงแต่งเมื่อไรนะมันก็ปิดกั้นเราไว้จากมรรคนิพพานไม่มีใครปิดกั้นเราจากมรรคนิพพานนะเราปิดกั้นเองเพราะว่าความปรุงแต่งทําไมต้องปรุงแต่งเพราะว่ารักตัวเองรักตัวเองนะเลยไปปรุงแต่งเลยไม่ได้นิพพานสักทีมันเหมือนอะไรนะมันพันเงินไปพันเงินมานะ ตั้ง <c oughs> ใจถึงถึงจิตใจเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยผ่องใสอยู่แล้วจิตใจเนี่ยถ้ามันไม่ปรุงแต่งนะมันจะเห็นนิพพานบาอารมณ์คิดเหมือนดูเหมือนง่ายมากคนระง่ายมากบ า, บางอารมณ์ก็ดูเหมือน <c oughs> ง่ายจนยากสับสนมาก <c oughs> นั่แหลมันง่ายจนยากมันง่ายจนยากนะมันเหมือน <c oughs> ที่หลวงพ่อเล่าเรื่องลิงให้ฟังอะ่ะ <c oughs> เรื่องลิงติดตังมันแค่แบมือเท่านั้นมันก็หลุดละแต่มันแบมือไม่เป็น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 ใจอยู่ต่างหากใจก็มีแต่ความสงบสุขนะเวทนารุนแรงแค่ไหนใจก็ยังสงบสุขอยู่ได้เห็นในทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตไม่ใช่ตัวเรา ต, ต่างคนต่างเป็นขันทำหน้าที่ของขันแต่ต้องทนเอาหลายคนผ่านด้วยเวทนานะก็มีภรูบาจารย์บางองค์วัดป่าเนี่ยท่านนั่งภาวนาในในป่านะชาวบ้านทาแค่ให้นั่งแคล่ไม้ไผ่อะไรเงี้ยเวลานั่งลงไปมันยุบลงไปนะ พอยกลงไปมันไม้มันแยกออกแล้วมันก็หนีบแบบเงี้ย <laughs> ถูกหนีบนะตั้งใจไปจะนั่งทั้งคืนน่ะโดนไม้หนีบอยู่ทั้งคืนนะ่ะเนาะทนทนดูเอาเนี่ยมันรักตัวกลัวตายนี่พวกเวทนาต้องสู้หนักหน่อยพวกดูกายก็แค่มันเจ็บมากก็ขยับขยื่นไปเห็นในตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนไม่ใช่ตัวเราหรอก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 ถามอีกนิดนึงทาไมจะต้องดูแต่ทุกขเวทนาทําไมไม่ดูสุขเวทนาบ้างเรานั่งดูสุขเวทนาสิ <c oughs> เห็นดับเร็วนะ <c oughs> ทุกขเวทนานั่นดับยากนะดูสุขเวทนาหรือดูอุเบกขาเวทนาอุเบกขาทุกขเวทนาดูที่ใจ <c oughs> ได้ได้เขาก็าอี้เขาทำไว้ให้นั่งนะนะได้เหยียดเท้าก็ได้นะ อยห้อยหัวแบบเล่นอะไรนะเรียกอะไรโยคะเอหลวงพ่อพูดเคยสอนหลวงพ่อไม่ได้สอนหลวงพ่อมีโยมมาถามนั่งเก้าอี้ไม่ได้ให้นั่งขัดสมาธิไม่ไหวอย่างนี้ท่าบอกนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่นั่งเก้าอี้แล้วจะดีเหรอเดี๋ยวภาวนาไม่ได้น่ะไป็เถียงท่านอี้นะท่านบอกว่าเอาเชือกผูกขาห้อยมาจากเพดานก็ทําได้นะเหมือนไม่เกี่ยวกับอิริยาบทท่าทางอะไร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 มันบางทีเพ่งแล้วรู้มันแน่นๆแน่นอนละรู้รู้แล้วตัวเองไปเพ่งแล้วไปเฝ้าไจ้องไปเจ้องมันไปเฝ้ามันเฝ้ามันมาเนี่ยเราก็รู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยเห็นไหมเราไปทําขึ้นมาเองแต่ไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองคเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน่ะตื่นนอนแล้วก็เห็นความคิดผุดขึ้นมาออืแล้วพอรู้มันก็ดับขณะที่เหมือนยังตายจงไม่เหมือนยังงงเงียอยู่หันว่า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 การทําในรูปแบบเนี่ยนะมีประโยชน์อย่าทิ้งนะถ้าเราทำได้ไม่ทิ้งอย่างน้อยได้ความสงบสุขทางจิตใจพอจิตใจสงบสุขแล้วเราก็ทําในรูปแบบนะหัดสังเกตสภาวะไปเช่นเราทํากรรมาฐานดูลมหายใจดูท้องอะไรอย่างเนี้ยใจไหลไปเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ทันใจเข้าไปเพ่งรู้ทันหัดรู้สภาวะพอหมดเวลาที่จะทําในรูปแบบแล้วเนี่ยเรามาเจริญสติในชีวิตประจํำวันสติจะเกิดเอง แต่ถ้าเราไม่ฝึกซ้อมในรูปแบบไปเลยเนี่ยสติไม่ค่อยเกิดหรอกทีนี้เวลานั่งนั่งภาวนาเนี่ยชอบไปติดความง่วงแล้วเคยเห็นความง่วงที่คือพิจไปพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเคยเห็นมันลอยไปเหมือนควันแต่ไม่ใช่ควันแล้วมันก็ความง่วงก็หายไปเลยนะคะอาจนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าก็ใช้ได้ก็แค่เห็นว่าความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแค่นั้นพอแล้นะ จะดูทุกสิ่งที่ผ่านมาให้จิตเราไปรู้เข้าเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดดูแค่นี้แหละไม่ต้องค้นคว้าเยอะนะนี่เบอร์สิบสี่ไหมลืมเวทนาไปละตอนนี้ก็มัวๆแล้วเนีอยแล้วไปบังคับมันจิรัสดีนะวันเนี้ยใจถึงถึงเนีหนูค่ะถ้าเกิดการรู้แล้วมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะมันมีปัญหามากเลยค่ะ คือเรารู้ให้มากที่สุดที่ทำได้แต่มันไม่ต่อเนื่องหรอกรู้ได้แว บ, บหนึ่งก็ขาดแวบบหนึ่งก็ขาดถ้าไม่ต่อเนื่องแล้วแว บ, บหนึ่งขาดแวบบหนึ่งขาดนันดีที่สุดเลยดีกว่าต่อเนื่องอีกแต่บางทีก็รู้ตัวได้ถีบางทีก็ไม่ก็ เ, เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะสติก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกวันตลอดเวลานี้วันใดสติเกิดมาเราดีใจให้รู้ว่าดีใจวันไหนภาวนาไม่ได้เลย รุ่มใจล้เนี่ยให้รู้ว่าครุ่มใจให้รู้ว่าทุรนทุรายอย่าไปทุรนทุรายกับมันงันเวลาเราเราชอบเรียกว่าเสื่อมบางวันมันเสื่อมไปนะภาวนาไม่เป็นแล้วทำไม่ได้ตกใจตกใจเรายิ่งดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมเสื่อมนานแต่ถ้ามันเสื่อมไปเราไม่มีสติเลยรู้ว่าไม่มีสติอย่าไปเสียใจอย่าไปตกใจนะใจเราสบายสบายรู้เออวันนี้เซ่อเอย่างเงี้ยรู้ไปเงี้ยรู้โง่โง่ไปเงี้ยนะ ถ้าใจเราไม่ดิ้นนะเดี๋ยวก็ดีเองอะ่ะเพราะที่มันไม่ดีก็เพราะไปดิ้นนั่นแหละจีรัดดีใช่ไก็ยังมีกลุกมิเราแวงเราแวงนิดๆครับใช้ได้นะไไแล้วอีใบเวลาตอนนี้เดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่หนีไปทั้งคู่เลยนะให้รู้ทันนะคือเราจะเดินกายเวทานาหรือจิตอะไรก็ได้แต่ตัวสำคัญคือสติ สติเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่าให้หายไปนานเนี่ยเผลอแวบไปล้รู้สึกไม้มมันลืมกายลืมใจแวบไปแต่พอเราเนี่ยพอจะไม่ให้ลืมกายลืมใจก็จะไปนั่งเพ่งมันจะสุดโต่งเนี่ยพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้นะเราดูไปเราเกิดสภาวะแค่3อันอันนึงเผลอไปอันหนึ่งรู้สึกขึ้นมานหนึ่งไปเพ่งพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอก็เพ่งเนี่ยดูใจใจ3ามอย่างนี้เสมอภาคกันนะ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 ถ้าเพ่ ง, พงเก่งๆไปเป็นพระพรหมเสียเวลานานหลายกลับถ้เผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นเลยเดี fear, ๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกจิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ดังนั้นจิตที่เผลอและรู้สึกเนี่ยเท่าเทียมกันือเกิดแล้วดับเหมือนๆกันไม่ใช่ว่ารักอันนึงเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึ่งเพื่อจะผลักอีกอันหนึ่งออกไปเราฝึกเจงกระทั่ ง, งเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่รักความรู้สึกตัวเกลียดความเผลอเพราะงะนั้นไมนะ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 เหตุของบางอย่างเช่นโมหะบางตัวเนี่ยเออเออมันมาจากอะไรอบางอย่างมันมาจากอะไรไม่เหมือนกันมันรู้เองอ่ะมันค่อยพอเราเห็นซ้ําๆนะเรารู้เหตุของมันบางอย่างมาจากกายบางอย่างมาจากอากาศโมหะอะไรองนี้ได้ก็ดูไปเรื่อยๆไอ้ตัวสังเกตนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่แอคชั่นไม่ใช่การทำาแต่อย่าจงใจสังเกตเยอะจงใจสังเกตเยอะจิตจะฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งเกินไปจัดเขาเห็นเอง แต่ว่าตอนนี้อาจิตพี่ัยมันฟุ้งเกินไปฟุ้งสร้างใใมันค้นคว้ามากไปตอนนี้ต้องแตะเบลกนิดนึงนะมันเร่งเครื่องเยอะไปาการที่เราหัดดูสภาวธรรมนะเบื้องแรกเราจะเห็นตัวสภาวะก่อนยังไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรหรอกเราเห็นตัวสภาวะนะเช่นมันมีอะไรพุ่งขึ้นมานี่ร้อนร้อนพุ่งขึ้นมาแล้วใจเรากวนกระวายขึ้นมาเราเห็นะ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 ถึงจุดที่มันรู้เหตุขึ้นมารู้วอ๋อนี่มีกรรมมาจากอันนี้นะพอรู้แจ้งอย่างนี้ปั๊บนะต่อไปโรคนั้นหายเลยอันนี้โรคที่เกิดจากกรรมนะถ้าโรคเกิดจากอาหารกินยาพิษเข้าไปแนละไปนั่งพิจรารณาตายแย่าง่เลยนะหรือเกิดจากอากาศสิ่งแวดล้อมมนุษย์อยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนพิจารณาไงก็ตาย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 เมื่อกี้นี้สักพักนายจุงก็เห็นเลยว่ามันมีอาการจงใจจะไปรู้ควา ม, มไม่เป็นกลางอืแต่พอมันรู้อย่างที่มันไม่เป็นคําพูดขึ้นมาจริงๆมันถึงจะรู้จริงอะคะ่ะดีและ้ะค่ะพูด <laughs> อะไรที่ยังพูดออกมาได้นะยังไม่ใช่ของจริงเจ้า <laughs> <Jeez> คุณนอถึงบอกของจริงนิ่งเป็นใบ <nh> ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงส <nh> ังเกตไหมว่าทีแรกใจเราอยู่ในรวังยังไม่ได้รับรู้อะไรต่อมามันเคลื่อนไหวอยู่ข้างใน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 ให้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทางใจขึ้นมาโดยที่ตัดสินนี้เรียกว่าบททัพนาจิตเสร็จแล้วจิตใจก็จะเคล้าอยู่ในอารมณ์อันนั้นที่เป็นกุศลอกุศลตัวนี้เป็นชาวนาจิตพอมันจับอารมณ์ได้ชัดอยู่ช่วงหนึ่งมันจะค่อยๆเบลอลงไปเบลอลงไปนิดหนึ่งนะเรียกว่าตาลารมนาจิตไม่ต้องจําชื่อก็ได้แต่ว่าเราภาวนาเราจะเห็นเหมือนในอภิธรรมเป้เลย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 ตรงที่เขาพินาให้ค่าเนี่ยนะอันหนึ่งนะตรงที่รู้ว่าเขาให้ค่าเนี่ยมันขึ้นวิถีใหม่ละอ๋อค่ะแต่พอให้พอรู้ว่าเขาให้ค่าสักพักหนึ่งมันก็จะมันก็จะเบลอลงตรงเบลอล ง, น, ลอลงนั่นแหละที่เรียกว่าตาทารมณะเนี่ยเบลอลงไปแล้วก็ลงผวังนะเมอลงผวังแล้วมันจะแบงไปช่วงหนึ่งเหมือนก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่ เราอยเห็นเลมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างอันหนึ่งมาขัาน้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นอีกจุนยังไม่เห็นชัดตรงที่มันมีช่องว่างขัน้นนะจูนเห็นแต่ว่ามันเป็นอีกอันออแล้วเป็นอีกอันเห็นว่าโคราอันใช้ได้แต่ว่ามันไม่เห็นตรงขันออ้นไม่เป็นไรแต่อไปก็จะเห็นความดับได้ชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้เห็นว่าอันนี้มีอยู่แล้วก็หายไปมีอีกอันนึงขึ้นมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูอย่างนี้กันพอดูอย่างนี้แล้วเลยรู้สึกว่าโอ้ม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 คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองนั่คือกระบวนการที่เห็นนะ่นแะจะสร้างขึ้นมาจะไปเราจะเห็นตอนนี้เราเห็นเรื่องวิถีของจิตต่อไปเราก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมบัทคนที่เห็นปฏิจจสมบัทต้องเป็นพระอริยบุคคลค่อยเรียนไปนะอ่ะเบอร์หสิบเก้า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 ให้รู้ทันไปก่อนห<ต>ลงบ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันเป็นการเสี่ยงอย่างเราหลงหลงเนี่ยถ้าเราตายไปปุ๊บเราไปเป็นเดรัจฉานเราเพ่งไว้เราไปสุคตินะไปเป็นพลมไปเป็นอะไรเงี้ยหรือเป็นเทวดาถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็เพ่งเพ่งไว้ก็เป็นเทวดาเข้าถึงฌานก็ไปเป็นพลมแต่การได้ไปเป็นเพ่งเอาไว้นะ่มีข้อเสียคือไม่เกิดปัญญา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 ในขณะเดียวกันมันก็เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาคือถ้าเราจิตเราเคลื่อนไหวทำงานไปเรามีสติขึ้นมาเนี่ยเรากำไรเราจะได้ปัญญาเพร่มันมีความเสี่ยงเหมือนกันบางคนติดสมาธิมานานหกสิบกว่าปีหลงพ่อเคยเจอนะอายุ87ลูกศิโรลวงปูเทศนลูกศิลป์อาจารย์เดียวกนนะ ต, ตอนนั้นแกอายุ87นะแกติดสมถะมาตั้ง60ปีจะบอกว่าเนี่ยแกไม่เกิดปัญญา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 ลึกไปนะยาวแต่พิ่งเสียเวลาอักเชิญโยมไปทานข้าวไป